เจรอญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆด้านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4พฤศภาคมพุทธศักราช2558เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันขั้นอยู่ระหว่างวันเสาร์อาทิตย์ กับวันอังคารที่เป็นวันหยุดฉัตเอรมงคลทางราชการเลยใจดีให้หยุดกันอีกหนึ่งวันสำหรับชาวพุทธเราก็ถือว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นวันหยุดพวกเราก็ต้องไปทำงานทำการเราก็จะไม่ได้มาวัดมาทำบุญกัน อย่างนั้นวันนี้ึงถือว่าเป็นวันกำไรบุญได้ทำบุญเพิ่มซึ่งปกติจะไม่ได้ทำบุญนี้สำคัญกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะว่าบุญเป็นเงินทองที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้ เวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเวลาจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถเอาเงินทองต่างๆไปกับเราได้แต่บุญนี้เราเอาไปได้แล้วใช้แทนเงินทองได้เพราะที่เราไปนี้เป็นโลกทิพย์โลกทิพย์นี้ต้องใช้เงินทิพย์บุญนี้แหละคือเงินทิพย์ถ้าเรามีเงินทิพย์มีบุญติดตัวไป เราก็จะไปอย่างสบายเหมือนเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศถ้าเรามีเงินต่างประเทศติดตัวไปด้วยเช่นเงินดอลลาร์เราไปพักที่ไหนเราก็จะมีเงินจ่ายค่าที่พักมีเงินจ่ายค่าอาหารมีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็มีเงินจ่ายค่าทัวร์ค่าไกด์ได้ ถ้าเราไม่มีเงินต่างประเทศติดตัวไปไปเขาก็ไม่มีไม่มีเงินที่จะใช้เราก็จะไปแบบขอทานไปอยู่แบบอดอดอยากยากขาดแคลนนี่คือการไปของผู้ที่มีบุญไปกับผู้ที่ไม่มีบุญไปขอเชื่อว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรานี้ไม่ใช่เป็นร่างกาย เราเป็นใจเป็นร่างทิพย์เป็นกายทิพย์ที่มาอาศัยร่างกายเป็นคนรับใช้ให้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับเราถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้แต่พอเรามีร่างกายเราก็สามารถสั่งร่างกายให้ไปหาเงินหาทอง ไปหาข้าวหาของหาคนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนมาเป็นคู่รักมาให้ความสุขกับเราแต่พอเวลาที่เราไม่มีร่างกายนี้แล้วเราก็จะไม่สามารถหาได้ดังนั้นเราต้องคิดถึงอนาคตของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เพราะร่างกายนี้เป็นร่างกายที่ไม่ถาวร อ, อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็จะต้องหมดสภาพเหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเราก็รู้ว่าใช้ไปเองหน่อยมันก็เริ่มเสียแล้วต่อไปก็พังใช้ไม่ได้เราจึงต้องคอยเตรียมเงินไว้เวลาที่รถเก่าพังเราจะได้มีเงินซื้อรถใหม่ ถ้าเราไม่มีเงินซื้อรถใหม่พอรถเก่าพังเราก็จะไม่มีรถใช้เราก็ต้องเดินหรือต้องใช้รถสาธารณะเช่นใช้รถเม์ใช้รถแท็กซี่ซึ่งไม่สะดวกเหมือนกับใช้รถยนต์ของเราเอง mm. เราจึงต้องเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพราะอนาคตเราอาจจะจาเป็นจะต้องซื้อ ของต่างๆมาทดแทนของเก่าที่เรามีอยู่ที่มันเสียไปแล้หมดไปชั้นใดบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราต้องสํารองเอาไว้เพราะว่าเวลาเราจากโลกนี้ไปแล้วเราไม่สามารถเอาเงินทองต่างๆไปกับเราได้แต่เราเอาบุญไปได้เราจึงต้องมาแลกบุญ เหมืเกวเวลาก่อนจะเอาเนื่ทางไปต่างประเทศเราก็เอาเงินไทยไปแลกสกุลเงินสกุลที่เราจะไ ป, ไปใช้ไปอังกฤษเราก็แลกเป็นปอนไปอเมริกาเราก็แลกเป็นดอนพอมีเงินดอนมีเงินปอนพอไปถึงอเมริกาไปถึงอังกฤษเราก็มีเงินใช้หรือสมัยนี้ไม่ต้องใช้เงินก็มีบัตรแต่การจะใช้บัตรก็ต้องมีเงิน สำหรับจ่ายค่าแบบนี่แหละคือเรื่องของบุญเป็นเหมือนเงินทองที่เราเอาติดตัวไปได้เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราคือใครเราคือผู้คิดนี่เองผู้ที่คิดผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้คิดไม่ได้ รับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ได้เวลาคนตายไปแล้วต่อให้ไปพูดไปคุยกับคนตายเขาก็ไม่รู้เรื่องที่เราพูดเพราะผู้ที่รู้นี้ไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วคือใจไปแล้วคนตายนี้เอาอะไรไปทิมไปแทงเขาเขาก็ไม่รู้สึกอะไรร่างกายเป็นเหมือนกันร่างกายของเราก่อนตายกับหลังตายนี้ไม่ได้เปลี่ยนไป มีอาการ32สองครบเหมือนกันทุกอย่างสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือใจที่มารับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางร่างกายนี่คือร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไม่ต้องไปเสียดายเราควรที่จะเตรียมตัวเตรียมใจพัดพากจากร่างกายนี้ไปถ้าเราพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะจาก เราก็จะไปอย่างสงบไปอย่างสบายถ้าเราหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเวลาเขาจะจากเราไปนี่เราจะทุกข์มากเพราะเราไม่อยากให้เขาจากเราไปนั่นเองแต่อยากหรือไม่อยากก็ไปห้ามมันไม่ได้ร่างกายนี้ถึงเวลาที่เขาจะหยุดทำงานไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมายับยั้งไม่ให้เขาหยุดทำงานได้ พอร่างกายไม่หายใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จบเหมือนกับเราปิดไฟในบ้านพอปิดไฟหมดดับไฟหมดไม่มีไฟเข้าบ้านทุกอย่างในบ้านก็ทำงานไม่ได้โทรทัศน์ก็ใช้งานไม่ได้ตู้เย็นก็ใช้งานไม่ได้พัดลมเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ที่ต้องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะใช้การไม่ได้ร่างกายนี้ก็เหมือนกัน พอหยุดหายใจแล้วก็หยุดทํางานตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างหยุดทํางานนี่คือร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายมาจากที่ไหนก็มาจากพ่อจากแม่นี่เองถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเชื้อของพ่อของแม่มาผสมกันร่างกายนี้ก็โตขึ้นมาไม่ได้ แล้วเมื่อมีการผสมกันก็ต้องมีใจคือเรามาอาศัยอยู่มาจองเป็นเจ้าของอพอมีร่างกายพอมีเชื้อของพ่อของแม่มาผสมกันแล้วมีใจคือใจคือตัวเราเรามาจากไหนเราก็มาจากชาติก่อนชาติก่อนเราก็มีร่างกายเหมือนชาตินี้ แต่พอร่างกายของชาติก่อนตายไปเราก็ใช้ร่างกายของชาติก่อนไม่ได้เราก็ต้องมาหาร่างกายอันใหม่ก่อนที่เราจะมาหาร่างกายอันใหม่ได้ร่างกายอันใหม่เราก็ต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดดงเรอให้ไปใช้บาปก่อนไปติด ไปติดคุบในอาบายคุกก็คือนรกหรือไปเป็นขอทานก็คือเปรืหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเราเคยฆ่าเขาเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอถึงเวลาที่เราต้องไปใช้กรรมเราก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เขามาฆ่าเราเป็นการใช้ใช้หนี้กัน พอเราใช้นี่หมดแล้วบาปกับบุญมีกำลังเท่ากันบุญไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์บาไม่สามารถดึงเราไปอบายได้เราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาหาร่างกายพอเจอร่างกายที่เข้าพึ่งผสมกันเราก็เข้าไปจับจองทันทีพอมีการจับจองกัน ร่างกายนี้ก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาอาวัยวะต่างๆก็เริ่มปรากฏขึ้นมาในท้องแม่จนครบอาการ32พอร่างกายเติบใหญ่ไม่สามารถอยู่ในท้องแม่ได้ก็ต้องคลอดออกมาพอคลอดออกมาแม่ก็เลี้ยงอาหารดูแลเลี้ยงดูร่างกายของเราจนกว่าเราจะโตขึ้น จนสามารถเลี้ยงดูตัวเราเองได้เราก็รับหน้าที่ต่อจากพ่อจากแม่เลี้ยงดูร่างกายนี้ต่อไปแล้วก็เอาร่างกายนี้มาใช้งานสั่งให้มันไปทำอะไรต่างๆสั่งให้ไปทำงานไปหาเงินหาทองเพื่อจะได้มีเงินมาซื้อที่อยู่อาศัยซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อยารักษาโรค นอกจากนั้นเราก็ยังเอาร่างกายนี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเช่นเราดูภาพยนต์เราฟังเพลงเราไปดื่มไปรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆนี่เราก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถที่จะาหาความสุข าทางร่างกายได้นี่คือเรื่องของร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ร่างกายนี้เขาก็มีสมคุณสมบัติคือเมื่อเขาเกิดมาแล้วต่อไปเขาก็ต้องแก่แก่แล้วเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพอรักษาไม่หายเขาก็ต้องตายไป พอตายไปร่างกายก็กลับคืนสูด่ดินน้ำลมไฟไปเพราะร่างกายนี้ได้มาจากดินน้ำลมไฟลมก็คือลมที่เราหายเข้าหายออกอยู่นี่น้ำก็คือน้ำที่เราดื่มเข้าไปดินก็คือข้าวที่เรารับประทานเข้าไปกับข้าวกับปาผักของแข็งต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปนี้ทามาจากดินดังนั้น ทำมาแล้วพอเข้าไปในร่างกายก็เข้าไปเสริมอาการ32ทำให้ผมเรายาวขึ้นทำให้หนังเรามีอายุยืนยาวต่อเนื่องกันไปนี่คือดินน้าลมไฟที่เข้ามาในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาการ32พอร่างกายหยุดทำงานไม่สามารถเอา ดิ้นเอาน้ำเอาลมเอาไฟเข้าไปในร่างกายได้ดินน้ํำลงไฟที่มีอยู่ในร่างกายก็ต้องแยกออกไปน้ําก็แยกออกมาเวลาคนตายนี่เขามักจะต้องหาอะไรปิดทวารไว้พราะน้ําต่างๆจะไหลออกมาแล้วก็ถ้าทิ้งไปนานๆน้นําไหลออกมาหมดร่างกายก็แห้งกรอบทิ้งไปต่อไปก็จะ กลายเป็นฝุ่นไปส่วนความร้อนก็หายไปตั้งแต่ตอนที่ตายไปใหม่ๆธาตุไฟก็หายไปธาตุลมก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นที่เราได้ดมกันนี่คือธาตุทั้งสี่ที่เป็นตัวประกอบของร่างกายอันนี้พอร่างกายอันนี้ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ ถ้าทั้งสี่ก็ไม่สามารถรวมกันต่อไปได้ก็ต้องแยกทางกันไปถ้าเราเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกนี่คือร่างกายที่เรามาอาศัยใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆหาสิ่งต่างๆเพื่อมาให้เรามีความสุข นี่คือความสุขทางร่างกายที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพราะว่าเวลาที่หมดสภาพไปใจก็จะไม่มีความสุขใจก็จะมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงพยายามหาวิธีว่า ทำอย่างไรให้ใจนี้ไม่ต้องมาทุกกับร่างกายไม่ต้องมาอาศัยร่างกายให้ความสุขพระองค์ก็สงคนพบความสุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่าความสุขภายในใจความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่คือความสุขที่จะอยู่ติดไปกับใจตลอดเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมด เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจและใจก็เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขจากทางร่างกายเพราะต่อไปจะไม่สามารถหาได้เพราะร่างกายจะไม่มีความสามารถหมดกำลัง เวลาแก่มากๆก็ไม่สามารถใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆได้แล้วเวลาตายไปก็จะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่าเพราะว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาเพราะความสุขทางใจนี้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือธรรมะที่จะทาใจให เรามีความสุขก็มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าทานนะการทำทานอย่างญาเดโยววันนี้มาทำทานทานแปลว่าให้การให้นี่เรียกว่าทานให้แล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจก็คือความสงบใจเวลาเราทำทานแล้วใจเราจะสงบจะเย็นจะสบายมีความสุข อันนี้ก็เป็นความสุขใจระดับต้นแต่เป็นความสุขที่ไม่ยืนยาวนานถ้าอยากจะให้ยาวนานกว่าต้องทำความสุขอีกสองระดับคือความสุขระดับศีลและความสุขระดับการภาวนาถ้าเรารักษาศีลได้ใจเราก็จะมีความสุขเพราะว่าเวลาเราทำบาปนี่ใจเราจะ ไม่สบายใจเวลาเราไปทำร้ายผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจเราจะวุ่นวายจะเดือดร้อนจะวิตกกังวลจะหวาดกลัวแต่ถ้าเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจของเราก็จะสงบเย็นสบายอันนี้เป็นความสงบความสุขระดับที่สูงกว่าการให้ทาน การให้ทานนี้ก็เป็นความสุขแต่น้ำหนักสู้ความสุขที่ได้จากการไม่ทำบาปคือการรักษาศีลดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขใจสบายใจก็อย่าไปทำบาปเราเว้นจากการทำบาปห้าข้อคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดและไม่เสพสุรายากร นี่คือการสร้างความสุขทางใจอีกระดับหนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าทำความสุขด้วยการฆ่าผู้การฆ่าผู้นี่มันยากกว่าการไม่ฆ่าการไม่ฆ่านี้สบายอยู่เฉยๆก็สบายแล้วมีความสุขแล้วแต่บางทีเวลาเราโกรธแค้นเราก็คิดว่าถ้าไปฆ่าเขาแล้วจะทำให้เราสบายใจ แต่ความจริงแล้วค่าเขาแล้วความโกรธแค้นหายไปแต่ความหวาดกลัวจะกลับมาแทนที่ทำอย่างนี้ทำแล้วได้ไม่คุ้มเสียเวลาที่เราเกิดความโกรธแล้วคิดอยากจะฆ่าใครคิดเสียว่าอย่าทำดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวความโกรธสงบตัวลงไปเราก็จะสบาย แต่ถ้าเราไปฆ่าเขาเพื่อล้างับความโกรธความโกรธหายไปแต่ความหวาดกลัวจะกลับตามมาและจะอยู่ไม่เป็นสุขจะต้องคอยหลบหนีคนนั้นหลบหนีเจ้าหน้าที่กลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษนั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามดับความทุกข์ด้วยการไม่ทำบาป ด, ดีกว่าอย่าไปดับความทุกข์ด้วยการทาบาป เช่นเวลาเรายทุกอยากได้เงินทอง<ม>ก็ทนอดทน อ, อไว้ดีกว่าอดมือ้อกินมื้อไปหรือยอมตายดีกว่าที่ไปทำบาปแล้วเราจะไม่ทุกข์กับการกระทำบาสนี่คือข้อที่ระดับที่สองความสุขที่ได้จากการไม่ทำบาปและระดับที่สก็คือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบ ใจนี้ของเรานี่เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปวิ่งมาและหยุดได้แต่ส่วนใหญ่ใจของเรามันเป็นรถยนต์ที่ไม่มีเบรกมันหยุดไม่ได้ไม่เคยหยุดตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เคยเจอคําว่าหยุดเลยมีแต่ทํางานอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาการทํางานของใจก็คือความคิดต่างๆนี่ตั้งแต่ตื่นมานี้เราก็คิดมา จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หยุดคิดถึงเวลานอนหลับก็ไม่ได้หยุดคิดเวลานอนหลับเราไม่รู้สึกตัวแต่ใจก็ยังคิดอยู่บางทีเราก็รับรู้ความคิดของเราในรูปแบบของความฝันนั่นเองเวลาที่เราฝันนี่ก็เป็นความคิดของเรานี่แหละที่มันคิดขึ้นมาแล้วเราก็เราก็ไปรับรู้มันก็ไปคิดว่ามันเป็นความฝัน ความฝันก็เป็นความคิดนี่หละใจของเราจึงไม่ค่อยมีความสุขกันต่อให้เรามีอะไรมากมายเพียงไรก็ไม่สามารถทำให้ใจของเรามีความสุขได้ร่ำรวยมีเงินเป็นร้อยพันล้านร้อยล้านพันล้านก็ไม่ได้ทำให้ใจเรามีความสุขเพราะใจเรามันก็ยังไม่หยุดคิดนั่นเองถ้าเราอยากจะพบกับความสุขของใจ เราต้องหยุดคิดให้ได้วิธีที่จะหยุดคิดก็ต้องใช้เบรกเหมือนกับใช้เบรกหยุดรถยนต์ถ้ารถยนต์มีเบรกเราเหยียบเบรกไว้เดี๋ยวไม่นานรถยนต์มันก็จะหยุดมันจะสู้เบรกไม่ได้ถ้าเบรกไม่ขาดเสียก่อนถ้าเบรกขาดก็ช่วยไม่ได้รถยนต์ก็จะต้องวิ่งต่อไปแต่ถ้าเบรกดีเราต้องการหยุดรถยนต์เมื่อไร่เราก็สามารถหยุดได้ ความคิดของเราเราก็สามารถหยุดได้ถ้าเรามีเบรกเบรกที่จะหยุดความคิดนี้เรียกว่าสติสติก็คือการระ ล, ลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งะเช่นระ ล, ลึกรู้อยู่กับคําว่าพุทโธให้เราท่องพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะหยุดเองเพราะถ้าเราพุทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ไม่เชื่อลองทำดูลองบวกลบคูณหารกำลังทำบัญชีอยู่แล้วมานั่งพุโทโธพุโทโธอยู่นี่จะสามารถทำบัญชีได้หรือไม่ทำไม่ได้เพราะใจทำได้ทีละอย่างแต่บางทีมันทำสองอย่างก็ทำแบบกลับไปกลับมาอย่างชีวิตของเราทุกวันนี้เราชอบทาสองสามอย่างพร้อมๆกันแต่ไม่ได้ทีเดียวเราสลับกัน เช่นเราขับรถเราก็ขับรถไปแล้วเดี๋ยวเราก็โทรศัพท์คุยกับเพื่อนอก็ขับรถไปด้วยโทรศัพท์คุยด้วยนี่แสดงว่าเราทำสองอย่างถ้าทำสองอย่างใจก็จะไม่สงบใจก็จะแขวนไปแขวนมาก็าอยากจะให้ใจสงบ ต, ต้องทําอย่างเดียวและต้องทําสิ่งที่ทําให้ใจหยุดคิดสิ่งที่จะทําให้ใจหยุดคิดก็คือการ เพ่งหรือการท่องคำใดคำหนึ่งเช่นท่องว่าพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆก็เพ่งดูลมหายใจเพ่งดูให้รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกให้รู้เท่านั้นให้รู้ว่าหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจออกแล้วอย่าไปให้รู้เรื่องอื่นอย่าไปรู้เรื่องคนนั้นคนนี้ในขณะที่เพ่งดูลมหายใจ ถ้าจดจอ่อเพ่งอยู่กับลมหายใจได้ตลอดไม่นาน5นาที10นาทีใจก็เข้าสู่ความสงบได้แล้วพอเข้าสู่ความสงบเราก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะสามารถมาสู้ได้ถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากเศร้าความสงบนี้แล้วเราสามารถทิ้งความสุขต่างๆ ไปได้หมดเลยมีสามีมีภรรยาก็ทิ้งได้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ทิ้งได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบพอท่านถึงเวลาที่ท่านจะไปท่านก็ทิ้งได้เลยจึงราชสมบัติทิ้งลูกทิ้งภรรยาเพราะท่านเห็นว่า ความสุขที่ได้จากพระราชสมบัติได้จากลูกจากภรรยาเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เพราะเวลาลูกตายไปหรือภรรยาตายไปหรือสูญเสียพระราชสมบัติไปความสุขเหล่านั้นก็จะหายไปหมดแล้วสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจพระองค์จึงตัดสินพระทยัยไม่ต้องการความสุขแบบนี้ต้องการความสุขที่ ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบจึงต้องออเสด็จออกจากพระราชวังไปเพราะถ้าอยู่ในวังก็จะไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ที่จะทำให้ใจสงบได้เพรที่จะทำใจให้สงบนี้ต้องไปอยู่คนเดียวอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้แสงสีเสียงอยู่ใกล้คนนั่นคนนี้ ก็จะถูกเขารบกวนก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้จึงต้องไปอยู่คนเดียวอยู่ในปา่าอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงแล้วก็ใช้สติหยุดความคิดเพ่งดูลมหายใจเข้าออกเวลานั่งเฉยๆหรือเวลาทำอะไรก็เพ่งดูที่ร่างกายร่างกายกำลังทาอะไรก็ดูอยู่อย่างเดียวกำลังเดินก็ดูการเดินกาลัง ทำอะไรก็อยู่กับการทำนั้นไม่สนใจให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือเป็นการเบรกความคิดแล้วพอนั่งอยู่เฉยๆก็ดูลมหายใจพออยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆเดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบ น, นี่แหละคือการหาความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นของเราไม่มีใครจะมาเอาจากเราไปได้ เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบและนาเอามาสอนพวกเรามาแนะนำให้พวกเราได้รู้จักผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็ได้พบกับความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านก็คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพวกเราถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เราก็จะได้รับความสุขแบบเดียวกันอย่างแน่นอนจึงไม่ต้องสงสัยว่าเรายังสามารถปฏิบัติได้ไดผลในปัจจุบันนี้หรือไม่เพราะเราอาจจะคิดว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันต์มาคอยสอนมาคอยบอกเราเราจะไม่สามารถปฏิบัติได้แต่พระพุทธเจ้าก่อนตายจากเราท่านก็สั่งไว้แล้วว่า ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่เลยขอให้เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเท่านั้นแหละก็จะได้ผลเหมือนกับตอนที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ดังนั้นเราไม่ต้องไปลังเลสงสัยการลังเลสงสัยนี้ทำให้เราไม่กล้าปฏิบัติ เราไม่ปฏิบัติเราก็เลยไม่ได้ผลเราก็เลยไม่รู้ว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือไม่เพราะเราไม่พิสูจน์นั่นเองเหมือนกับคนเขาแนะนำว่ามีร้านอาหารรส ด, ดีอยู่ตรงนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่ไปพิสูจน์เราไม่ไปกินตามที่เขาบอกเราก็จะไม่มีวันรู้ว่าร้านอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยเราต้องไปพิสูจน์ชันใด สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติก็เป็นการสอนให้เราไปพิสูจน์นั่นเองลองทำทานดูเรื่อยๆลองรับษาเสียงอยู่เรื่ อ, อ, อ, อยๆลองหักนั่งทำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆแล้วพอผลเกิดขึ้นมาก็จะไม่สงสัยก็จะอยากทำให้มีมากขึ้นไปจนมีอยู่เต็มที่ตลอดเวลานี่แหละคือความสุขที่<ม>ทพวกเราควรจะ ทำกันด้วยการมาวัดมาทําบุญทําทานเรียกว่าทําบุญรักษาศีลก็เป็นการทําบุญภาวนาก็เป็นการทําบุญบุญก็คือทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของวันแห่งการกรําไลวูลนเล็ให้ท่านได้นะําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขภาพเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอขุณภาษีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบําเพ็ญกันกในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วคลาาปลอดภัย จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ